วันคืนมันร่วงไปร่วงไปเราจะมานั่งเป็นทุกข์อยู่นี่หรือนี่ท่านสอนอย่างนี้ถ้าท่านยังถ้าท่านยังเป็นอยู่น่ะมีชีวิตท่านจะพูดอย่างนี้เจตันพูดในตัวนึงเสือวันคืนร่วงไปร่วงไปแบบนี้เราทําอะไรอยู่มันต้องหลักฐามันก็น้อยไอ้ความเป็นจิงทันนําชับพวกเราให้เรารู้ตัวเราเองทุกคนว่าาบวชป็นเป็นชีมันหน้าที่ของชีคืออะไรเราจะมาลา่าเจดี เรารู้จักกิเลสเดียบหรือยังเอที่เราจะต้องละเราลู่จักไหมไอ้ความชั่วเรามาลความชั่วไอ้ความชั่วเรารููจักไหมเราละเดี๋ยบียังดิกําลังที่จะละที่เราละไม่เป็นไรกำลังอดกั้นหรือยังไงทนไหมอะไรไหมเราพูดอย่างสมณะเดียบหรือยังเราทําอย่างสมณะเดียดหรืยังเรากินอย่างสมณะเดียบหยังที่ระบวบมานี่นี่ นี่เดียวนี่ท่านถามปัญหาให้ตัดสินที่เพราะอะไรเลยเพราะวันคืนมันล่วงไปข้ามไปเนี่ยอย่ามาทําอยู่อย่างนี้เลยอ่ามีราคะมีโทจะรีบกําจัดมันเสียรีบภาวนามันเสียอย่ามาทําความประมาทอยู่ที่นี้เราบวชเป็นพระมาแล้วบวชเป็นเนนมาแล้วบวชเป็นชีมาแล้วต่างเพศของคระหัตแล้ว เราจะมาคิดอย่างคนบดีโภคกามนี่มันจะได้หรือเวลามันน้อยเวลามันไม่มากเวลามันน้อยเพราะวันๆหนึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันไม่คงที่เราจะมาอาศัยความประมาทอยู่นี่ดูจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ดูืออะไรอยู่นี่ดูือแล้วจะมาทางความยุ่งยากในใจเราดีเลยทำไมเราไม่ปลดปล่อยมันไปเช่ละไอลาคโทสะโมหะของเราถ้าไม่ไปปดปล่อยมันไปเค่นะ เอเราต้องเห็นโทษมันถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันนักวุญละมันไม่ได้เราปลดปล่อยมันไปไม่ได้เสดายคมชั่วอยู่อย่างนั้นน่ะบางทีก็อยู่อย่างนั้นบทไปเก้าปีสิบปียี่สิบปีชาตินี้ชาติหน้าเป็นอยู่อย่างงี้รรท่านเคยสอนว่าทําไมมันถึงโกิดเพราะเราคิดผิดทําไมเราถึงทําไมเราถึงหลงเพราะเราคิดผิดี่ทําไมเราถึงโลกเพราะเราคิดผิดนี่นี่ pathway. คิดผิดอะไรมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นจริงนำความทุกข์มาให้เรานีนน่เราถึงไม่สงบไอ้ความสงบอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิไอ้ความเห็นชอบมันก็สงบเท่านั้นแหละเออมันก็ไม่มีโลคมันไม่มีโกรธมันไม่มีรุ้งไม่มีเพรเห็นโทษมันแล้ว ไม่ยึดโลกไว้ไม่ยึดเกวบไว้ไม่ยึดหลงไว้ไอ้ความชั่วทั้งหลายที่เกิดมาก็มีแต่ท่านปล่อยมันปล่อยมันไปวางมันไปละมันไปมันไหลผ่านไปที่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทําไมถึงปล่อยมันไปเพราะว่าเอชีวิตของฉันมันน้อยเวลาของฉันมันน้อยมันน้อยเพราะอะไรเพราะวันคืนนเห็นมันมันรู้มันไปร่วงไปอยู่เนี่ยแล้วจะมาทํารื่ทุกข์อยู่ทําไมจะยึดอยู่ทําไม ป่วยการป่วยเวลาของเราแล้วก็ปล่อยมันไปเสียดีกว่าสัดคิดตัวลงอย่างนี้เมันก็ปล่อยนั้นก็ว่าไอ้คือความเห็นชอบนั่นแหละมันที่สงบละถ้าใครไม่มีความเห็นชอบไปเถอะจะไปอยู่นี่ป่าก็ไปเถอะจะไปอยู่คนเดียวก็ไปเถอะจะไปอยู่อะไรไม่เห็นคนก็จังมันโดยใจมันเห็นอยู่นะ่ะตานี่มีคงใจมันเห็นอยู่เนี่ยไอ้ความสงบจริงๆนั่นเดียก ว, ว่าไม่ใช่ทุ่งนา ไม่ใช่ป่าไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นเหตุซะหน่อยหนึ่งถ้าเราต้องการความสงบเราไปอยู่ป่าีงนนมันทำความสงบได้เร็วกว่าอดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่เขาไปถึงป่าแล้วมันสงบไปถึงภูเขาแล้วมันสงบไม่ใช่อย่างนั้นความสงบมันต้องเกิดจากความเห็นชอบอ<ม>ืมเนีน่ยเกิดจากความเห็นชอบ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 อที่นี่ว่าไม่ใช่ที่อยู่ของสมณะที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่เรายังไม่ฝึกสงควมอย่างนี้ถ้าความเป็นจริงละสั ม, มาทิทฐิตรงไหนแล้วก็มันอยู่ตรงนั้นทางความสงบถ้าหากเราไม่รู้จักอันนี้จะไปอยู่คนเดียวเอาดิมันก็ไม่สงบจะไปอยู่มากคนมันก็ไม่สงบมันไม่สงบทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่อันนี้ต้องคนคิดให้มันดีๆอย่างที่วัดน้องประโคนเราเนี่ย ต, ต่อมาเคยเทียาาย่ยวเห็นพอเนินฟัง ไปทุรงอยากจะไปทุรงที่ไหนเนี่อันแม้ประพงเนี่มันทุรงเท่าไรเนี่ยเอาไหมเอาป่าไหมเอาอะไรไหมเอืมันที่สงบระงับดีด้วยเกินเขาทำงานกันเป็นเวลาเท่นั้นแหละทํางานกันเป็นเวลาเออเน่ยบางวงก็คิดว่าเอา้ยไปสวดมนต์ไปทําวัดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยมี่ภาคขี้เกียจเห็นไหมเห็นอย่างนั้น การสวดมนต์การการทำวัดนี่มันขี้เกียจแก้ความขี้เกียจดิมา อ, อมันอยากขี้เกียจ น, นี่ไปเล่าเรื่องธรรมะไปเสนอเส ร, ริญคุณพระพุะทธธรรมประสงค์มันผิดไหมมันบาปไหมนี่มือมีพวกมากเขาทำอย่างนี้แล้วก็ทำสิถ้ า, ากว่าคนเราไปอยู่อย่างนึง เ, เอ้ยไม่ต้องอะไรหรอกไปสวดมนต์ทำวัดมันจะได้อะไรเหมือนการรองเพลงเท่านั้นแหละเนี่ยออื จะ อ, อะไรจะมีเป็นกิจการที่เป็นหลักฐานคนเก่าก็มีคนใหม่ก็เรืมันฝึกกันอย่างนี้อันนี้มันเป็นทางที่ถูกอย่างน้อยถึงเวลาทมวัดปีละคันแก่งแก่งมันนึกไม่อยากมันขี้เกียจนี่ไปแก่ความขี้เกียจนั้นไม่ต้องแก้อื่นเรอาเงียมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยให้เราเข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าไปคิดอะไรไม่มีอะไรเป็นหลักการสารพัดอย่างนยต้องมีกายสามัคคีกันอย่าง วันเดือนหนึ่งพระพุทธเจองค์ให้ประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้เป็นกายสามัคคีกันมีอะไรจะเกิขันเป็นพวกนะเป็นสังฆะอะสังโคเป็นหมู่ของสงฆ์นี่มิกขะสังโคหมู่แห่งเนื้อส ก, กุณาสังโคหมู่แห่งนกอริยะสังโคหมู่แห่งพระอริยเจ้ามันเป็นหมู่เป็นหมวด ถึงแมมันเหมือนกันมันก็ใครเหมือนนกอ่ะนี่นกอ่ะแต่มันต่างต่างพันกันมันก็เป็นนกบางตัวศพยาวบางตัวศบสั้นนี่บางตัวมีปีกยาวบางตัวมีปีกสั้นแต่มันก็เป็นนกเหมือนกันนีเรียกว่ามูอแห่งนกมันไปเป็นกลุ่มมือขอพปกยมชีก็เหมือนกันของพระ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 ละไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันอย่างชัดเราต้องเห็นโทษมันที่นี่หมดคิดไปเพียนาไปแล้วก็ต้องตกลงต้องพยายามพวกญาติโยมทั้งหลายทุกทกคนอย่างทุกวันนี้เห็นวัดประพงศ์เรวนี่นะพูดง่ายในสมัยนี้เป็นวัดตัวอย่างเขาให้ชื่อว่าวัดน้องบคงเป็นวัดตัวอย่างตัวอย่างที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี่คำเขาเล่าดือของคนชาวโลกเขาถ้าเนรกนาเรียมใสประพฤติดีประพฤติชอบดีแล้วเราอา่านนีมันดีอย่างไงไหมอย่างเขาเล่าไหมพวกชีก็มีระเบียบเรียบร้อยดีประพฤติดีประพฤติชอบน่าเรียมนี่เขาพูดอย่างนั้นดีอย่างเขาว่าหรือเปล่ารือเขาว่าเนี่ยเขาเดีย เ, เองต้องมาตรวจดูเราทุกคนทุกคน จริงว่าทำให้มันดีแล้วก็คิดให้มันดีที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้เขาว่าดีเราจะคิดว่ามันดีหรือเปล่า mm. เขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องคิดให้มันดีอีกว่าเราไม่ดีหรือเปล่าจะ เ, เป็นอย่างนั้นนี้ mm. นี่เราต้องอาศัยตัวเราเองถ้าเราทําไม่ดีอยู่เ mm. ขาว่าดีอันนี้มึงโกหกก้ไอคนนั้นมันพูดผิดนะนี่ เราจะไปเข้าใจปรดีกับเขาไม่ไรเรายังอยู่ยังมีกดียสอยู่ยังมีปัญหาอยู่เราพยายามจะเพิ่มข้อประพฤติปฏิบัติเราขึ้นไปอีกตรวจ ด, ดูกายวาจาใจของเจ้าของที่มีอยู่นี้ตรวจ ด, ดูทุกวันทุกวันมันพองตรงไหนเออมันชั้นตรงไหนตรงต่อตรงนั้นมันยาวตรงไหนตรงตัดตรงนั้นนี่นี่ปฏิบัติอย่างที่เรียกว่า มันคือคนคนเดียวอยู่มากคนก็อยู่เหมือนคนคนเดียวไม่ต้องวุ่นวายอยู่คนคนหนงต้องมีการอดกั้นบางทีว่าไอ้คนนั้นพูดไม่เคยถูกใจเราเพราะคนนั้นมันมันือจากมันไม่ะลาดแล้วก็ลูกจากคนไม่รู้จากคนไอ้คนนั้นมันยังมีกีดียาไม่เคยจะดี ไอ้คนคนั่นมันยังไอ้ชลาเราก็ต้องรู้จักมันก่อนสั้นผ่นยาวถึงเวลาที่คนตักเตือนกันก็ตักเตือนกันในดีอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้นี่อย่างนั้นมันไม่ดีคนเราถ้าหากว่าจะเตือนคนอื่นเขาก่อเตือนเราซะก่อนเนี่ยจะเตือนคนอื่นเขาต้องเตือนเราซะก่อนเตือนทําไม ถ้าไปเตือนเขาถ้าเขาไม่ฟังมันจะเกิ ด, กดโมโหเกนนี่เราจะเตือนคนคนนี้ก็รีกว่าเราทำตัวเราให้มันดีซะก่อนเขาจะว่าเขาจะดา่ะาอะไรก็ช่างเราเถอะเราได้สร้างความดีแล้วเมื่อจิตที่จะเตือนก็เรากต้องใจเตือนเขาถ้าเขาฟังก็ดีถ้าเขาไม่ฟังก็ตามเรื่องเขานี่คนเตือนต้องอยู่ในลักษณะนี้ไอคนที่ถูกเขาเตือนนั้น ไอ้คนนี่น่ะไม่ดีไอ้พูดไม่ดีทำไม่ดีอะไรเราก็ฟังจริงความเขาไหมเขาว่าเราไม่ดีไหมยิงไหมถ้าเราไม่ดีก็ฟังไงถ้าเราดีอยู่เขาว่าเราไม่ดีเขาเนี่ยก็พูดไม่ถูกเขาคิดไม่ถูกกับเรื่องของเขาเราต้องปล่อยต้งวางเข้าสู่ธรรมะให้ได้ใครจะมาดีว่าชั่วเข้าสู่ธรรมะตั้งตัวดูว ่าลลัษณะอย่างนี้เราจะทำมา น, นี้เราคิดอย่างไงไหมเราคิดอิจฉาคนอื่นไหมเมื่อเขามาพูดกับเราว่าไอ้คนนั้นมันอิจฉาฉันถึงพูดอย่างนี้ถึงทำอย่างนี้เราต้งรู้จักว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเราจะพูดจะทำเราต้องรู้จักกลับรองตัวของเราเราไม่คิดอย่างนั้นเรามีเจตนานดีแต่คนนั้นว่าเรามีเจตนาไม่ดีเราสบายใจอยู่นะ เพระเรารู้ตัวของเราอยู่แล้วเอเขาว่าเราไม่ดีแต่ว่าเกรตินาเราดีอยู่นี่ฉะนั้นทันึทีมีสติทุกเวลาเมื่อจะตั้งใจพูดวันนี้เราก็ต้องใจพูดดีไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ผื่อะไรแล้วรู้จักของเราเพื่อคนดื่นเขทวงวไาพูดอย่างนี้มันไม่ดีเราก็สบายเพราะเราคิดดีอยู่แล้วเราพยายามทําให้ดีอยู่แล้วคิดตัวก็คิดดีอยู่แล้ว ไอคนที่ว่าไม่ดีก็พูดผิดแล้วก็สบายใจอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่ต้องเตือนอย่างนี้จะให้อตมามาเตือนทุกคนทุกคนทุกเวลาทุกเวลาหรือตั้งราษานึงเพิ่งเลยมาเนี่ยนะถ้าอาศัยตมามาเตือนญาติโยมทุกคนทุกคนญาติโยมคงจะง่เต็มทีซะแล้วเนี่ยนานเนี่ยสักรรษานี่เพิ่งมา ดัดเดือนอัตโนูโจทะยัจนันนังจงเตือนตนโดยตนเองคุ้มครองตัวเองอุปกุปตังจิต ด, ดัง เ, เราคุ้มครองจิตของเราเองรักษาตัวเองฉะนั้นนานาณาณาเคยเรือก็มาว่าปฏิบัติเองเนาทุกคนปฏิบัติเองดูเองเองเอ สอนให้ดูเอเองให้รักษาเอาเองคือให้เตือนเกี่ยวของเองว่าการกระทําเราดีไหมเราทําอยู่ตัวเพื่ อ, อสมก็เป็นสมณะไหมทูปสมก็เป็นสิจมณะไหมทําสมเปิจมณะไหมต้องคิดในมันดีอย่างนี้ฉะนั้นให้เข้าใจแค่ว่าอไม่ต้องอื่นนะวัดประโพนี้มันระดับประเทศ ไม่ระดับอำเภอไม่ระดับจังหวัดละ่ะในระดับประเทศในระดับประเทศยกตัวอย่างคือเหมือนอัตมนั่นแหละเขาต้องเข้าใจว่าอัตมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเห็นไหมคุณป้าแก่ว่าเรื่องของเข า, เเขาพูดไปเราจะเป็จริงอย่างนั้นหรือไม่เป็นจริงอย่างนั้นมันอยู่ที่เรา เรื่องเขาพูดไปเขาพูดอย่างนั้นนี่พระอดิหารมาแล้วเราจะดีใจไหมนั่นก็ เ, เป็นหรื อ, อย่างนี่เราไม่เป็นอะไรไม่เป็นเรื่องเขาพูดห้ามเขาไม่ได้เราต้องตรวจดูเราไหมนี่เราลู่ตัวของเราเป็นไม่เป็นเราลู่ที่ตัวของเราเนี่ยแล้วไม่ต้องอาศัยคนอื่น เ, าเรา เ, อนอ า, นเาเตือนอยู่อย่างนี้เขาเตือนเราอยู่อย่างนี้แล้วก็เตือนเราอยู่อย่างนี้นี่มีประชาชนการพูดประชาชนมันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นวัดนงบพงษ์นี่ก็เรียกว่าดาับประเพ อ, อทุกวันนี่แม่ชีก็สังรวมหน้าเรือมใี่พระสงฆ์ก็หน้าเรือมใส่ชาวทุกทุกจังหวัดมันมารวมจัรพัดอย่างดูที่ชีฝรั่งก็มีพระฝรั่งก็มีนี่ ดีไหมล่ะพระฝรั่งดีไหมก็ว่าดีดีดีไหะชีฝรังดีก็บ่าดีไหมล่ะเนี่ยคือก็บอกดีจะดีเยอเงี้เด้อโอ้พระารังนี่ดีเนออะท่านอยู่เมืองนอกท่านกุศลมาแมศรัทธาท่านมากเหลือเกินชีฝลังไม่อยู่ไม่อยู่ในเมืองไทยก็มาบวชเป็นชีฝลังนี่แหมหน้าเดืองใสดีเหลือเกินแล้วดีจริงยังไงไหมเราตกลู้เราเองเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นครับ เนี่ยระวังไงมันดีนี่เอย่างเราคิดมาอีกเพราะว่าเราชั่วอืผมเขาพูดเพราะว่าเราดีเนี่ยเขาพูดไม่ใช่ตัวเราตัวเราเร า, เราลูบตัวเราเองอันนี้ให้เก็บไว้ใ น, นตัวของเราเนี่ยพยายามทุกๆคนก็ต้องทําอย่างนั้นโดยเฉพาะบรรดาที่คนเกษมานั่นน่ะคนเกษนี่ตามตามสาัจจวนตรก็อายุยังหนีมากนะเกิดนาน บางคนก็หกสิบปีมาแล้วเจ็ดสิบปีก็ยังมีเลยนะออันนี้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปนะั้นวันนี้เป็นไลยจะหมดไปแล้วนะี่ย้อนเช้ามาตะวันโผล่มายินก็หมดไปหมดไปเลยนะให้ตั้งใจอยา ใ, ใจเราวุ่นวายย่าวุ่นวายกับคนดืนเป็นโสววจัตตาจิตโฉววจัตตาเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอน ง, ง่ายไม่ยึดถือ มานะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นกันไม่ห้ามหรอกมึงเห็นเรื่อยๆไปแต่มานะอย่าไปผูกพันมันอย่าไปยึดมันให้ปล่อยให้วางถ้าหากว่าเราปล่อยวางมันก็ผ่านเราไปถ้าว่าไม่ปล่อยไม่วางมันหนักอย่างถ้าหนว า, วางสังขานปล่อยสังขานเนี่ยมันเป็นของหนัก นี่เวทนานี่ ส, ส <Mozart S 1> ัญญานี่สังขารนิญาณมันเป็นของหนักจะยึดถือของหนักไว้มันก็หนักเีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญานรูปถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทั้งหมดแลวแล้วก็แบกมันไว้มันหนักทำไมทิ้งของหนักซียทิ้งของหนักซียคือยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณรูปนี่เราของเราตัวเราของเรา เวทนานี่คือสุขทุกข์เนี่ยก็เดียวว่ามันเป็นของเราอย่าไปถืออย่างมันหนักฉันมาให้วางให้ปล่อยสัญญาความจำโน่นจเนี่ว่าเราว่าของเรานี่ก็ันวางมันมันหนักมันหนักให้รู้แล้วกะวังรู้เวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดก้อนนี้นี่จิตสังขารกายสังขารอย่าไปยึด ต, ตัวของเรามันหนัก มันเป็นของหนักขันห้านี่ท่นันยกว่ามันหนักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้านี่มันหนักเ อ, อถือว่าตัวว่าโตน ว, ว่าเราว่าเขามันหนักลูกพิจารณาตัณ ญ, ญาตั้งการวินญาณวินญาณความรู้อะไรก็เยังว่าเป็นเราอย่าไปยึดแมันหนักเป็นสัตว์อธรรมชาติมีความรู้สึกขึ้นเน่อมกระดับไปเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของตรงนั้นน่ะ เราอย่าไปจะเราอย่าไปถือเอานี่มันเป็นเจ้าของเลยมันหนักพอถืออะไรมันหนักมันนั่น น, น่ะอ่อ่ากินทิจาบที่ว่าพระสังฆราชองค์หนึ่งนะได้เป็นสังฆราชแล้วนะไปเที่ยวเมืองจีนพอดีไปถึงเมืองจีนเน่ยนะก็ไอ้พวกจีนเน่ เอาของาะไรมาฝากอีไรถ้วยชาสวยๆมาฝาก น, นี่สมเด็จสังฆราชไม่เคยเห็นเลยดิไม่เคยได้เลยแม่เรามาต่างประเทศเนี่ยไอพวกชาวจีนมีเรื่องใส่ ถ, ถ้วยชานดิโอ้ยพอถ้วยชาถึงมือทุกทุกเลยจะวางตรงไหนเนอะจะเก็บตรงไหนอะไรกลัวมันจะแตกเนี่ยแต่ความนี่ถ้วยชาสบายสบายนนเนี่ย พอเขาให้ตัวชาอย่างนี้เราจะไปอวดโยมบ้านเราเมืองไทยนี่ยก็ก็ถวายปอบจับชาทุกแล้วเนะแหมจะเก็บตรงไหนเนาะจะวางตรงไหนร่ากัวมันจะแตกทั้งนั้นแหละใส่กระป๋มันระวังนะระวังของแตกระวัาอะไรทุกทั้นั้นเยนยเดกแต่ก่อนยังไม่ทุกเลยมันทุกเลยตัวชามันหนักเลยเนี่ยเห็นไหมเมาถึงเมืองไทยเอาใจเครื่องบินมาถึงเมืองไทยมา มาถึงเมืองไทยก็ น, าานะวังเนี่ยเดินไปไกลไปแระวังนี้นี่นะี่ของแตกงนี้ตรงนั้นระวังโยมยาเนี่ยเป็นทุกตลอดเวลานะได้ถ้วยชาไปนั่นว่าเป็นคนเลยเป็นทุกเนะี่ยแต่ก่อนไม่มีถ้วยชาไม่ทุกเลยทุกคนมากับถ้วยชานะไปยึดมันถือมันมันอนะ่ะมันไลยไปทุกพออีกวันหนึ่งนะเนี่ยสมัยเดินไปจับลูดมือแตกพี่ยเลโอ้หมดทุกประทีนึงก็ ว, ว่า มันทคงมันนี่หลายปีแล้วดิเนี่ยนี่เห็นไหมนั่นอันนี้ก็มันขันห้านี่ก็มอนการมันหนักให้ทิ้งของหนักเสียทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารญญานิยานนี่อย่าพึ่งเข้าใจว่าตัวเราหรือของของเราทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสัจจะวารูปเวทนาสัญญาสัจตะวา่าทั้งนั้นทั้งนั้น อย่าไปยึดนั่นถือมั่นมันถ้าเราลู่จนนี่มันก็เป็นยมุติเกิดมาต้มขึ้นมาเลยอืมแต่ก่อนเพราะมันเพราะมันมันมันเป็นอยู่อย่างนี้ยมันเป็นสมมุติกติสมมุดตีอย่างเนี้ยเมื่อเราเรีกว่ารูปเวทนาสัญญาสร้างขานมันสักแตอว่ามันก็ลิกมาเลยนี่มันก็เลยเป็นยมุติต้มจากสมมุตินันนานในขันห้าจะไม้ก่อนมันยึดขันห้ามันหนักเมื่อมาปล่อยขันห้าวางขันห้ามันเบา นี่ตัวอวทานความยึดมั่นถือมั่นนี้นให้เข้าใจทุกๆคนที่เรามาเรามาปล่อยมาวางมันนะเรามาปล่อยเรามาวางมันรับให้คนอื่นเตือนนกซาทุเลยเตือนแม่ไม่ต้องในจ้างเข า, เขาเขาเตือนเราถึงเราทำถูกเข้ า, าไคุณทําผิดกนฟังเถอะฟังมันเกิดปัญญานี่อ น, นั่นต้อมาอยัางไงไอไอไอของดีๆมาฝาก ไอ้พวกเซนเขาเนี่ยเขาสอนนี่นพวกเซนเนี่ยพวกเซนสมทธิเซนเขาสอนนั่นน่ะสอนเนี่ยนนลดที่ฐิมรณะในตัวเรียนเลยมากหรอกนะเขานั่นสมาธิพองพอเหงานอนจะประโกกเอากระบวงตีที่สะเตะเขารู้สิทธิ์มองนินอาจารย์ขอบคุณครับอช่วยเอากระบวงมาตีทีสสะผมนี่ช่วยเตือนผม ขอบคุณครับพวกเราเป็นไม่ชีอยู่นี่จะขอบคุณกันได้ไหมเนี่ยอือารู้สิแล้วต้องมีปัญญาจะไปตรงไหนเนี่ยเป็นคำที่สำคัญนะ่ะเอาชีทุกคนอนะ่ะแก่แก่หนุ่มๆทั้งนั้นเลอยู่เนี่ยแต่เราห่วงเนินนี่อืให้ชีกบฟ้าเอากระ บ, บองมืตีศสียบแท้ขอบคุณครับว่าอะไรไหม เออเออให้เข้าใจนี่ที่นี้วัดดุทีว่าที่เรือนของเราต้นของเขานับปุตเนี่ยมันยอมขนาดไหนนี่ดูก็ได้นี่นะเกว่าเป็นอาจารย์อาจารย์เขามันยิ่งยากไม่มีใครจะกล้าเตือนเกรงใจใช่ไหมโยมทั้งหลายเลยมีกําไรนะ่ะอาตมาบอกให้ไม่ต้องเกรงใจถ้าอาตมาผิดน่ะโยมจะเตือนนี่ยากไม่มีใครเตือนยาก พราะว่าครูบาอาจารย์กลัวเกรงนี่อย่างนั้นการปฏิบัติเป็นพระเทวีนี่มันยากลําบากบางทีเราผิดเขาก็ปล่อยเราผิดไปดีเรื่อยมีรูตัวของเราถ้าเขาจะเตือนก้ก็กลัวเราเกรงเราอะไรเราเงี้ยมัญหาที่จุดคนที่จะสอนยากลําบากไอ้พวกเรานี่มันก็สบายกันทุกคนแล้วน่ยอืมถ้าว่าทําผิดมามีคนบอกพับเลยแต่เดียวมันดีเรื่ยเกินเลยเนี่ยอย่าไปนู่นอย่าไปนี่เลยให้เข้าใจ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 ให้นึกถึงว่าเราจะทําไม่ดีจะทําบุ่นวายเดือดร้อนให้เน้นึกถึงอัตมาด้วยว่าอัตมาเป็นผู้แนะนําพัฒน์สอนทุกอย่างที่อยู่เทีย s ัยวัตทุมงคงนี้ต่ว่าอัตมาเป็นเหตุก็ได้ญาติโยมมาที่หลังนี้มาอยู่สบายสบายนี่เมื่อจะทําอะไรขึ้นมาก็าให้นึกถึงบุญคุณสักนิดหนึ่งก็ดีบ่าควรไหมเนาะดีไหมเนาะนี่ ในกลุ่มชีตั้งหลายนี่เดี๋ยวชีตั้งหกเ็ดคนเนี่ยจะมาตั้งไว้ทําไมถึงตั้งทำไมไม่ตั้งหมดทุกคนเนะพราเขามาบวชก่อนก็าลู่ภาษาก่อนดูเรื่องก่อนนมนานก่อนตั้งเป็นกรรมการขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตรวจตราพวกญาติโยมทั้งหลายจะเข้ามาอืมให้ความบริสุทธิ์ควรไหมผิดไหมถูกไหมเนี่ย ให้เขาจํางวจตรวจตาคัดเลือกพวกเราที่เข้ามาใหม่เป็นคนดีไม่บอกเนี่ยวันทางนี้เขาอย่างนั้นมีใครจะมาตั้งเป็นกรรมการใครจะมารับรองเนี่ยให้เงินเดือนกี่บาทกี่ลอยเขาก็ไม่เอามันลําบากนี่อันนี้อาศัยศรัทธามีศรัทธาอัตมาตั้งให้ว่าไอ้ใครจะมาบวชก็ต้องามาหานี้สกอเนี่ย ถึงวัวด้อยู่ไปนี่ก็ให้กรรมการหกเจ็ดคนนี่พิจารณาซะก่อนถ้าคนหกคนเจ็ดคนนะมันจะไปรวมเียดคนเดียวนะมันก็ไม่มีหรอกยากที่สุดอ่ะถ้าหากว่าใครมันผิดพลาดตามสายตาของกรรมการห้าหกคนรวมกับการนี้แล้วก็เรียกว่าชีคนนั้นเป็นคนแปลกคนอันจะมาตั้งในวัดกรรมการตั้งห้าหกองเป็นสงไว้ถ้าว่าสงในห้าองคหกองนั่นแนหะไม่เข้าใจแล้ว ไม่ถูกแล้วก็เรียกมาถามดูนะพระองค์นั้นเด้งองค์นั้นเป็นเนนที่แปลกเป็นพระที่แปลกแล้วไว่ใจไม่ได้แล้วต้องจํารวจตรวจตากันอยู่อย่างนี้ทุกเวลาอย่างงั้นพวกเราสงลายนั้นจึงอะไรอาศัยอันนี้ละ่ะอาศัยบุญคนนุณอันนี้ที่เราปฏิบัติกันอย่างนี้ทําอย่างนี้ละ่ะเอมันจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุขทุ ก, ท, กทุกคนตลอดมาตุกวันนี้เพราะอันนี้นี่ฉะนั้นจงอย่าลืมบุญคุณ จะนึกอะไรจะพูดอะไรจะไปที่ไหนจะทำอะไรให้นึกถึงหัวหน้าชีทั้งหกเกดคนนี้จะทำอะไรทั้งหมดก่อนนึกถึงอาตมาว่างว่าอาตมามาทํานี่เพื่ออะไรไหมโ ย, ยมเข้ามาบวช น, นี่อาตมาเรียกค่าเช่าไหม อ, มอะจะไปพักโรงแรมก็ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องเจ็บค่าเจ้าทั้งนั้นเลยให้ดูไปยังนี้ดีกว่าเพื้นๆดูไปเถอะ อัตามาคิดยังไงไหมที่อัตามาที่เป็นพระที่ดีกว่าเฉยๆทุกคนชีทุกคนเข้ามาเนี่ยอัตามาก็เฉยๆอยู่อย่างนี้ถามแ้วทุกคนไม่ถามทุกคนสนิทในใจเรียว่ารักกันด้วยธรรมะไม่รักกันโดยโลกไม่ต้องประจบ ป, ประแจงกันมีอะไรกันผิดพลาดต้องพูดกันไปตามส่วนของมันอย่างนี้ บางบางคนอ่ตจมาไม่เคยได้ถามเลยพบชีนี่ไม่มาจะชีเลยพระนินก็คือไม่เคยได้ถามเมื่อมีเลยนี่เพราะว่ามันมากนี่ฉะนั้นคนคนเดียวดูคนหมูมากเนี่ยมันก็ลําบากอยู่ฉะนั้นทุกคนจนจังหม่ายปฏิบัติตนเองรักษาตัวเองไงมันมากที่สุดนั่นแหละดีหลายนั่น น, นี่ให้ดูเท่ ว, ว่าคู่คนประชาชนมาวัดประพงษ์จะมาดูเมธีมาดูพระ มาดูข้อปฏิบัตินะอย่างนี้เขาไม่ต้องไปทางอะไรหรอกก้าเข้ามาในวัดมองไปดูกติของพระดูกติของทีเข้ามาในวัดสถานที่วัดมันสะอาดเก็บสิ่งที่เป็นสัตว์ส่วนไว้เรียบร้อยอย่างสมณะพันก็เกิดความเรียมใส่เลยไม่ต้องเทศเหรอกไม่ต้องเทศอันนี้คือมันเกกละล่าลานพากันช่วยกันเก็บช่วยกัน ก, นกำ ปอยกันรักษาอันนี้เนี่ยคือเทศคนเลื่อมใสอย่างนี้อนต้นไม้อะอยู่ในป่าแล้วเห็นไมมันเทศให้เราฟังไหมเบางทีต้นเราชอบอะดอกไม้เห็นไหมดอกไม้มันเคยเทศให้เราฟังไหมเนี่ยทำไมทั้งเสือกไปเมยฉันชอบเหลือเกินฉันหอมเหลือเกินนะดอกไม้มันจะเทศไหมมันเกิดตามธรรมชาติของมันตอนนั้นเ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 กีวอนมินธบัเสนาสนะเพศสตัตวีไม่อยู่นอกเหนือนี่เราปฏิบัติดีเลยนะ่ปฏิบัติทห้มันดีขึ้นให้มันดีในเราเนี่ยไม่ต้องไปร้องขอหรอกนะนะ่เดินผ่านไปไม่ไม่พูดแต่แต่เมืองนี้นะ่ะไปเมืองนอกเขาก็ยังเลื่อมใสเหมือนกันนะ่ะ อ, อาจารย์สมิโอพูทธเมยน้องพ่อนก็เป็นพระแปลกเหมือนกันด้วยมผมอยู่นี่ก็ม่มีใครประวรณาหรอกอ ไปทีไหนเขปรณาปัจจัยนั้นนนี่ขอให้ดืด่อยๆมาแต่อาจามาไม่เคยเอามานี่เงินนี่ยังหลายหมื่นเหมือนกันนี่ที่เขาจะไหวามาไม่เอาเอาไว้กระสุนไโทเอาไว้ตรงนั้นแหละเมื่อพระไทยเมื่อพระฝรั่งไปมาเมื่อชีฝรั่งไปมาทั้งข่าวที่จําเป็นมันขัดข้องจริงๆเอาเนี่ใช่เธอเนี่ยแต่จะใช่ไม่มีประโยชน์ไม่เอาเก็บไว้นั้นไม่เคยเอามากินส่วนกลางไว้นั้น ไม่ต้องเขาเข้ามาของของเขานั้นนี่ต้องทํากันใช้อย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนอืมไม่ว่าจะเมืองเมืองเราเมืองอื่นก็เหมือนกันเขามีศัทธาขพรการกระทําอันตรมาเห็นว่าถ้าเราทํามันดีที่สุดแล้วนั่นนะรู้จักเทวดาเห็นอืพอเห็นปุ๊บทา่านอ้ยอยากเอาของมาให้แล้วอย่างน้อยอยากจะมาถวายจังหัน ถ้าไม่มาถวายจังหันปวดชีส่าชีสษาจะแตกศีส่าจะแตกต้องอยากมาต้องมาไปอยู่ที่ไหนก็มาไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ไปอยู่ภูเขาก็มีนะมาไม่เคยเห็นหน้าก็มาไม่รู้ว่าคิดถึงทำไมอะไรก็ไม่รู้คือคุณธรรมที่เราต้องปฏิบัติมีฉนักการปฏิบัตินี่เป็นของดีที่สุดแล้วพวกเราทั้งหลายแต่หาเอาก็ยังไม่ยิ่งอการประพฤติปฏิบัติ ให้ปฏิบัติถึงที่มันนะถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรขัดข้องจะสร้างวัดต้องประพงแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นต้นนะไม่ต้องไปขออะไรที่ไหนหรอกเขาเอามาให้เขามาสร้างเองเขาดูอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปร้องขอยอมืออะไรเราทำดีเท่านั้นแหละมันไหลมาไหลมาสร้างที่พักกันนี่ที่เราอยู่เนี่ยอยู่โดยบุญวาสนาบารมีของเราอยู่โดยการประพฤติปฏิบั ต, บติถ้าพระทะเลาะกันทีพระไม่โทรกันที นสวมพานขี่โลกสิชีทํทำอธิกรวุ่นวายกันติมจะมีอะไรตรงนี้ไม่มีอ่ะเด็กก็จะเอาไฟมาจุดกระต๊อบน้อยๆเท่านั้น น, นี่ให้เราเข้าใจเราอยู่ทุกวันเรา อ, อยู่เพราะความดีของเราเพราะความดีของเราทำให้มันดีๆขึ้นนะันจะ ม, มา ช, ช่วยกันทาช่วยกันช่วยกันรวยมากก็จะ ม, มาเคยหนีปีหนึ่งนะไม่มาหมดเหมอนกันนะ ทูบจะจุดก็หมดขัดประปุเทียนจะไสไหวหมดเนาะมันตัดหมดหมดเลยหมดทําไมเนี่ยเนี่ยทาไมไม่ต้งหมดอย่างเงี้ยนี่ะเพราะเราเนี่ยมันยังน้อยทําให้มันดีขึ้นดิไปเจี๊ยนหลวงพ่อมาแล้วสบายอือเอาอาหารมาแล้วเอาข้าวมาแล้วหลวงพ่อนี้เอาขนมนมเนยนี้หมดแล้วใครจะเอานี้ที่ไหนล่ะเราเห็นกันไหมเลี่ยเราก็ทํากันขึ้นดิพร้อมกันทําขึ้นดิ อ, อจะไปกลัวเนี่ยทำไมนะนี่ทํำไมมันดีเธอนี่ควรสร้างความดีอย่างนี้ไปจี่ไหนไม่เคยอด่ยากออเพราะอะไรเพราะการเสียสละนี่ถ้าเอามาพะนักเอาเข้ากระเป๋าหมดเอาไม่ได้กินเลยพวกชีก็ไม่ได้กินเลยพระไม่ได้กินในถ้าเอาเข้ามาเอาเข้ากระเป๋าจะมาหมดไม่ได้กินขนาดนี้หมดแล้ววัดกระโรงเป็นวัดกระโรงอ่ะอ่าอันนี้จะมามาแบ่งกันไปหมด สาขาไหนสกขาไหนอะไรก็ตามจะแบ่งมันไปอะ่ะเออบางทีหยุกยาก็มาถวายเฉพาะถวายองค์อื่นซะให้ท่านไปฉันยายให้โรคท่านหายอาตมา ก, ก็าหายเนี่ยไม่ต้องฉันหายแล้วมันในบุญเนี่ยนี่ทําไมในคราวหนึ่งภาษาดีบุตรกับพระโมกข์กันลาไปจปาําภาษาอยู่ที่ภูเขาเนี่อภาษาดีบุตรนั่นท่านปวดท้องปวดท้องเนี่ย บดจิตเป็นจะตายเลยพระโมกลาได้ถามว่านี่ท่านสาธิตบุตรท่านท่านเคยเป็นโรคอย่างนี้มาไหมเคยเป็นทับเตะเป็นกะราวาสอยู่ท่านชันยาอะไรมันหายนี่แม่ผมนะ่ะโยศแม่ผมนะ่ะถ้าผมปวดท้องอย่างเนี้ยก็ต้องเอาถั่วเขียวบ้าง <c oughs> น้ำตาลบ้างนมบ้างอะไรบ้างทําเข้าปพระยาดนะันวันเอาเอาให้ฉันนะ่ะท้องผมมันหายไปพูดกันจ้องพลอยอยู่ภูเขา ที่เวลาฟังหรือยินนี่นี่ยพอดีตอนกลางคืนจวนจะลุ่งเขาไปหาท้ายกทีเวลาจับคอท้ายกเนี่ยลูกท้ายกเนี่ยเอาหน้าหันมาไปทางหลังเนี่ยพูดบ้าๆบอๆไปเถอะเ อ, อ, เ อ, อ้าเอ้โทษทำไมมันทำโทษมันเนี่มึงจะทํายาไปถวายท่านพระสรีบูตไหมนี่ถ้าไม่ทํำยาไปถวายประสะดุดเอาให้ตายเอาให้ตาย ลูกชายยกยอมแล้วลูกจะรับรองเลยจะทำยาให้พอดีหายขึ้นมาก็รีบเอาหาโวเขียวมาทำป่วนขึ้นตอนกลคือตอนเช้าพระโมกคันลาไปบิถบาสพระดิบุตรไปไม่ได้ปวดทอ้องใสบาสพระโมกคันลาเลยลก็ยกโวเขียวเนี่ยขนมนมเนยใสอันนี้ผมก็ผมขอฝากไปให้ท่านพระสรับุตรด้วย ก็ยอาใส่ในบาทให้เป็นสรีบุตรพอไปถึงวัดพระโมกคันลาก็เอาของพระโมกคันลาของพระสรีบุตรนั่งกยกไปถวายท่านเอาบาทไปถวายท่านจะก้มรูนในบาทก็เห็นอาหารที่พูดกันเมื่อคืนนี่ทั่วเขียวก็เห็นอะไรก็เห็นเมื่อพูดกันทุกอย่างทุกพูดเมื่อคืนนี่พระสรีบุตรตกใจเลยบอกเออเอาแล้วมันเป็นวิญญาณ พนันเนี่ยไม่ได้บอกต่อปากเบนวิญญาตกายวิญญาตพนั้นเช่นว่าอาหารชนิดนี้ให้ท่านโมกขันลาไปเทลงในพื้นกระตเปี๊ยซิฮะถึงแม้จะใส่ผมมันจะรั่วไหลออกมาเดี๋ยวนี้ผมก็ฉันไม่ได้เนี่ยท่านรักษาอาบัตของท่านเพราะท่านได้พูดแล้วมันได้ยินถึงเที่ประจ่าพอพระเพรพอมาโมกขันลายกศีสาตเอาเอาเอาไอ้ยานั่นไปเทลงแปดหยินปริีด พอยาถึงแต่ดินเนี่ยโรกพัะนิบุตรหายในท้องตรงนี้เห็นไหมเนี่ยธรรมาโอสฐอย่างนี้อันนี้มีอันทรงอย่างนี้ขนาดนี้แหละท่านปฏิบัติอย่างนั้นในขนาดที่ท่านพูดกันสองต่อสองยู่ในภูเขาเนี่ยเทวดาอะไรกินเอามาขนาดนั้นท่านอันนั้นมันเป็นนั้นอันนี้มันเป็นนี่ท่านก็ยังไม่ฉันเลยเพราะมันออกจากยินยัดของท่านแล้วนี่การรักษาอโบการรักษาศีลของท่าน มันไกลกันไหมกับเราทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องจะพา ย, ยายไปหาขอเลยเห็นไหมพระทุกวันนี้ด้วยขอนั่นด้วยขอนี่ดวยขอเนี่อย อ, อะไรไปตามตลาดนั่นน่ะมันห่างไกลกันมากสุดละ่ะนี่การประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ให้จําไว้ในใจนีเรื่องบริสุทธิ์ต้องทําอย่างนี้ไม่ตายไม่ตายพระพุทธงค์ทำปฏิบัติเป็นชูปฏิปนโนพูดชูปฏิปนโนยายาปฏิปนโน สามีจีปฏิปิโนแล้วไม่ตายให้ทำบันดีเถอะวันนี้ฉันเสร็จแล้วพวกนี้ฉันอะไรไม่พูดถึงมีนี่ไม่ต้องเป็นสะสมไม่มันมากหรอกถ้าทำความดีมีอยู่อันนั้นต้องมีท่านบอกว่าถ้าใครไม่ให้ไม่ให้ทานแก่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วไม่ค่อยสบายปวดศีรษะ อยากจะไปจังหันอยากจะไปกราบอยากจะไปไหวอยากจะไปอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในจิตใจเลยด้วยอำนาจอันนี้ทุกๆคนเราให้ภาการเข้าใจสร้างความดีขึ้นอย่าไปสร้างความชั่วเรามาเป็นสมณะนะนี่สมณะทุกคนพวกทีในนามที่ว่าเป็นสมณะเขามาบวชพระเนนก็เดี๋ยวในนามสมณะหน้าที่ของสมณะเป็นอย่างไร หน้าที่ทางสมณที่จะต้องเดินไปอย่างหนึ่งทางอย่างหนึ่งสมณไม่ควรจะเดินไปอัตตะกิริมาฐานโยโขกามะสุกันนิกาิโยโขอันนี้ไม่ใช่ทางของสมณที่จะคิดไปคิดติดตามไปอัตตะกิริมาฐานโยโคทำตามอำนาจใจของเราเป็นอัตตา ทำประปาทำไม่เกิดประโยชน์ให้เราทนทุกข์ทรมานประปาเช่นว่าสมัยก่อนค่าอะไรที่เรียกว่าอยากจะให้เขาเรื่อมใสอยากจ ะ, ะเอกรากกลาบมากก็มีความคิดขึ้นในใจ น, นันคือฝึกฝึกชั้นพูดเจ้ของพูดชั้นพูด ไม่ต้องฉันข้าวไม่ไปบิณฑบาตกับเขาแล้วอยู่ในวัดนะนะถ้าเน้นไปบิณฑบาตเต้นพระองค์นี่ไม่ไปอ่ะพอเพื่อนไปบิณฑบาตแล้วเขไปกินขูดกินมูดเหมือนหมูพอเพื่อนออกมาเราก็สบายเราไม่ต้องฉันข้าวอยู่ได้อยู่ต่างศาษาฉันอยู่ได้ให้เขาเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ดูที่ท่านไม่จย์ข้าวตั้งสามภาษาท่านอยู่ได้ให้เขาเลือมใส เ, เมื่อเขาเห็นปฏิจจิยาลีแล้วเขาเห็นเขาไล่ไปอีกบ้านหนึ่งมันมีราวหิน ย, ย, ายาวชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยก็กขามาถ่ายเวทตรงนั้นเนี่ยแกก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยยืนขาเรียวละ่ะอ้าปากขึ้นบนฟ้าไม่ต้องทำอะไรเขาว่กกินอากาศกินน้ำค้างเนี่ย พิธีของเขาแต่เมื่อคนมาแล้วก็ต้องหยุดยืนสองขาเมื่อคนนี้ไปไปยืนขาเดียวอ้าปากนี่ใครมาเอ๊ะพระสมณงค์นี้แปลกเว้ยยืนขาเดียวขนาดกินน้ำข้างแล้วนั่งอยู่เลยตั้งเป็นได้หลายเดือนนี่แปลกแล้วกันนะแต่เมื่อคนนี้ไปแล้วหา ก, กินโมดพูดอยู่ตามเหมือนเหมือนสุนัขเมื่อคนมาแล้วก็ยืนอ้าปากเออ พอที่พระพุทธองค์ขอเราพิจารณ์พระองค์นี้แม้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ไปให้ความเห็นพระองค์นี้จะเป็นกรรมเป็นร้ายกับหลายชาติเนี่ยหลอกลวงเขาแต่ก่อนเคยหลอกลวงเข้ามาแล้วชาตินี้ก็หลอกลวงก็อีกี่พอดีก็พระพุทธองค์ไปถึงสั่งใจไปโปรดกับพระอา น, นุนก็เลยไปพูดกับพระสมณะองค์นี้ท่านไม่มีอะไรเลยในใจของท่านท่านโกหก ชาวบ้านก็ทั้งนั้นไม่ว่าจะชาตินี้ชาติก่อนท่านก็กคองเข้ามาทั้งนั้นเนี่ยถ้าถ้านจะทําอยู่ท่านจะเป็นบาปเป็นตำตลอดการตลอดเวลาแหะไม่ใช่แต่ทาโอดมาให้ความเห็นของท่านท่านจะเป็นตําอยู่อย่างเนี้เพราะพระพุทธเจ้าเทศไปถูกมดในใจของโอ้เป็นอย่างนั้นจริงเวลาสมัยก่อนเนี่ยพระภิกษุทศบาทบอกบอกเอาขี้ใส่บาตใเลยพระพะอรหันเอาขี้ใส่บาดใเลยพระขี้ใบาดรเลยพระ เกิดมาชาตินี้ก็เลยเลยกินขี้เป็นอาหารเห็นไหมกลับเนี่ยท่านบอกท่านต้องหยุดท่านต้องเลิกเดี๋ยวนี้เหตุที่จะควรไปจึง่อยไฟกันเป็นพระเป็นเนนเป็นชีทั้งหลายเนี่ยอือย่าเพิ่งไปประลำประละให้มันมีเหตุผลที่จําเป็นจริงๆกึ่งจะไปไปก็รู้จักกลับรู้จักเวลาอืม อย่าไปช่อนเป็นอ่อยู่ในบ้านทนก็ะเดือหัดสองวันสามวันสี่วันหน้าวันมั่นแม่สบายมันไม่ดีไม่เหมือนจามนะเนี่ยจามนะเราต้องพยายามบีบที่สุดจริงทั้งหลายตรงนี้ที่พขาตราหนาไว้อันนั้นฉันไม่มีอันนั้น่ฉันจะให้ผ่าขาคเ้นให้ท่านมาเอาเท่านี้อันนี้พระธรรมยิบกลัวใหญ่พระบางวงขอทุกวัน พอเขาสัตราแล้วขอไม่ผิดเดินไปขอตัววันขอจนเขาลังเลเลยอย่างนี้เขาไม่มีให้เข้าใจให้รู้จักถ้าสัตว์รณาแล้วเนี่ยประมาณยี่ัวเราอยู่นี่ในในพันศามีมีคนวีดตะให้เงินเดือนนานจ้ไม่เคยไปถามเงินเดือนตะพีเลยยังให้ก็ให้ไปเถอะไม่ไม่เอาไปไม่แไม่ไปถามเงินเดือนก็เลยหยุดให้เงินเดือนี อย่าว่าไม่เอาก็ไม่ว่าจะเอาก็ไม่ว่าอยู่ย่งั้นแหละตามศราของเขาเนี่ย ม, มันดีหลายก็เรามันมีพอกินแล้วพอกินแล้วจะมากอะไรทำไมนะกินข้าวมือเดียว เ, เราบอกว่างอนจะบอก อ, อ๋ออ๋อแบบงอนจ น, น, นตั้งช้ำ อ, อ, อ, อทะไรทั้งหมดเอาเขตาตาซะ